การสาบานด้วยสิ่งต่างๆ5้าอย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องบท น, นี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยําเกรงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขํารานอยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอลัลลอฮ์ทรงประทานความสุขสํารานนานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด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 บทนี้ได้กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่เป็นความเท็จของพวกมุชริกีนที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของมุฮัมมัดสลลลหะไลวะสลัมและได้ตอบโต้วพวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดหนักแน่นพร้อมกับได้นําหลักฐานที่บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงของสารของมูฮัมหมัดสลลลหะไลวะสลัมมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในตอนท้ายของบทได้จบลงด้วยการเน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธา และบรรดาจเจวตของพวกเขาโดยการพระณนามและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาจของพวกเขาและใช้ท่านรอสูลุลลอฮฺสุลลฺลลอห์อัลบาสลามอดทนต่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความชื่อเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบทนี้ถูกขนานนามว่าบท อ, อ, อัตูดเพราะอัลลอฮ์ทรงเริ่มต้นบทด้วยการสาบานต่อภูเขาอัตูด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 ขอสาบานต่อภูเขาอัตูร์รขอสาบานต่อคำภีที่ถูกจารึกไว้มมนในม้วนกระดาษหรือหนังที่กลางแผลขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอ ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกชดช่วงในวันเกียรม ب ب าแท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีผู้ใดจะปก ้มันไดวันที่ฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างโลกาหุนและเทือกเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจาย ด, ลล ด, ดังนั้นความหายนณะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสมการและเล่นอย่างไร้สาระวันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกยานนำอย่างผลักใสไล่ส่งนี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเเเจ้าคยปฏิมัน ا أ นี่คือเลขกลนหรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็น أ ا و و จงเข้าไปเผาไหม้ในนั้น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 ได้รับความสุขอันล้นพน้นตามที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พน้นจากการลงโทษของนรกกููลบบฮอนมุตพวกเจ้าชาวสวรรค์จงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามผลงานที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ถือ ر ر มมุนอล น, น, นเอกขนเอกบนเตียงเรียงเป็นแถวและเราได้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์วัลลัีน่าอเมนวละตบะต์ทุมดุรดีทุหมบิอีมานอัลฮัตุนา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 และเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาต้องลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใดแต่และคนจะรับการประกันในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และเราจะเพิ่มผูลให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการยะาให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการ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 ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษอินนาคุนนามินกับนัดูอินนฮัลบรุรรฮมแท้จริงเราได้วิงวอนขอต่อพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอือ้อเฟื้อผู้ทรงเมตตาเสมอ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 กล่าวดอกพวกเขาไม่ศรัทธาตัางห า, มมาดังนั้นพวกเขาจึงนําคํากล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริงออ ال หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได้ หรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเปล่าเลยพวกเขาไม่เชื่อตัางหาก م م หรือว่าพวกเขามีขุมทรัพย์แห่งพระผู้บิบานของเจ้าหรือว่าพวกเขาเป็นผู้มีอำนาจจัดการ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 หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว้ ا ا หรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้ายหรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์ มหาบริสุษิยิ่งดอ่ออลอะจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี่ารา ค, มมค oo มมรคั้นเมื่อพวกเขาเห็นทิ้นส่วนหล่นลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆ ร, รวมตัวท่าน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 และแทَจริงสาหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้แล ا วْท้จริงสำหรับบรรดาผَ้อาธรรมนั้นจะได้ร نا, บับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้